นาทีพิสูจน์ความสามารถในนาทีเฉียดตายถ้าม่รู้วิธีทําใจก็จะรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตที่ผ่านไม่รู้อะไรเลยปริญญาคือใบรับรองว่าเราเรียนมาถึงขั้นไหนแต่ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราสามารถเอาตัวรอดจากการอดตายหรือเอาตัวรอดจากการไปอบายได้หรือไม่ ชีวิตเต็มไปด้วยบททดสอบความรู้ความสามารถคนที่สอบผ่านมักได้ดีมีสุขกว่าคนสอบไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าเรียนการได้เรียนจบการได้เข้าทำงานการไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นตลอดไปจนกระทั่งการกล้าออกมาทำเองและการทำให้กิจการของตัวเองรุ่งเรืองนับแต่วัยเยาว์ไปจนถึงวัยชรา การจะมีที่ยืนที่แท้จริงในสังคมนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถทั้งสิน้นต่อให้รวยที่สุดในโลกถ้าทำอะไรไม่เป็นเลยก็จะเป็นคนรวยที่มีคนจับจ้องหัวเราะเยาะมากที่สุดในโลกเช่นกันหรือต่อให้ดวงดีแค่ไหนถ้าไม่มีความรู้ความสามารถที่จะใช้ดวงดวงดีๆก็ฝ่อตัวไปเปล่าๆในเวลาไม่นาน ที่เหลือคือชีวิตอันไร้ความรู้ความสามารถเท่านั้นคนเราจะรู้สึกว่าตนมีความสามารถเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบความสามารถเฉพาะหน้าที่มีนัยสำคัญกับชีวิตต่อให้เคยรู้เคยเก่งกาจสารพัดวิชาเพียงใดถ้าหลงป่าแล้วไม่รู้วิธีดูดาวไม่รู้วิชาสังเกตไพรยอย่างไรก็หาทางออกไม่เจอที่สุด ก็รู้สึกบอดท่าตอนเหนื่อยอ่อนจะอดข้าวตายย่อมเห็นว่าตัวเองช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลยหรือถ้าตกน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นอย่างไรก็ต้องจมสนิทด้วยความรู้สึกว่าแม้กระทั่งพยุงตัวเอาชีวิตให้รอดในน้าแค่นี้ก็ไม่มีกับเขาแล้วเช่นกันระหว่างมีชีวิตใครจะเคยมีความรู้ความสามารถขนาดไหน ถ้าใกล้าตายไม่ทราบวิธีวางใจให้สงบ ก, ก็จะรู้สึกว่าในขณะนั้นตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถเอาเสียเลยก่อนตายทำไมจึงควรมีความสามารถในการระ ง, งับความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านตายแล้วมีผลเสียอย่างไรคาตอบคือจิตของคุณอาจยึดเอาเรื่องร้ายใดๆที่ความฟุ้งซ่านคัดสรรมาให้ก็ได้ทั้งนั้น ลองดูตัวอย่างจากชีวิตประจำวันเถอะตอนคิดถึงเรื่องร้ายมักเป็นช่วงฟุ้งซ่านหรือสงบการระ ง, งับความฟุ้งซ่านเพื่อให้เกิดความสงบใจไม่ใช่อาศัยแค่ความรู้วิธีแต่ยังต้องมีความสามารถจะทำจริงด้วยและจิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกับอาหารจ้างใครช่วยประกอบเครื่องปรุงให้ไม่ได้ต้องปรุงแต่งเองชิมเองรู้รสเอง ความสามารถที่จะสงบจิตสงบใจเป็นเรื่องต้องใช้เวลาสั่งสมต้องฝึกทำกันทั้งชีวิตไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วจะสั่งได้มันเสกเอาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีเป็นนาทีตายนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกมามักออกอาการคล้ายม้าพยศจะให้ควบคุมจะให้บังคับอย่างไรก็เอาไม่อยู่เว้นแต่จะฝึกอบรมอย่างดีมาจนกระทั่งเป็นม้าเชื่อง พอมรับบัญชาอยู่ก่อนจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าอีกห้านาทีข้างหน้าต้องตายดับคุณจะเข้าข่ายเป็นพวกตายสงบหรือว่าฟุ้งซ่านตายสํารวจตัวเองง่ายๆว่าส่วนใหญ่ในแต่ละคืนก่อนนอนหยุดฟุ้งซ่านได้ตามใจนึกไหมถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละครับมีแนวโน้มจะเข้าข่ายฟุ้งซ่านตาย ฟุ้งซานแล้วหลับฝันร้ายอย่างดีแต่พุ้งร้านแล้วนึกถึงบาปกรรมก่อนตายเนี่ยน่ากลัวครับไม่มีใครหยุดกระสับกระสายได้แน่ถ้าภาพที่ตนเคยก่อบาปก่อกรรมตามมาหลอกหลอนในช่วงใกล้สิ้นใจเมื่อเห็นความสําคัญยิ่งยวดของการตายสงบคุณจะได้เริ่มเห็นค่าของการสั่งมความสงบขึ้นมาบ้าง ความสงบไม่เพียงช่วยให้คุณเป็นสุขมากยิ่งขึ้นขณะยังมีชีวิตแต่ยังช่วยให้คุณสบายใจหายห่วงขณะกำลังจะสิ้นชีวิตด้วยจะจัดการกับความฟุ้งซ่านให้ถูกต้องในแบบของนักเจริญสติควรเข้าใจหลักสำคัญในการเห็นความฟุ้งซ่านดังนี้ข้อที่1อย่าอยากดับความฟุ้งซ่าน คนทั่วไปมักใช้วิธีผิดๆในการกำจัดความฟุง้งซ่านคือตั้งใจกำจัดความคิดหรืออยากดับความฟุ้งซ่านให้ได้แบบเฉียบพลันซึ่งนั้นยิ่งกลายเป็นเหตุเร่งความฟุ้งซ่านให้ทวีตัวขึ้นอีกขอให้จำไว้เป็นหลักสำคัญว่าฟุ้งซ่านแล้วยอมรับตามจริงว่าฟุงา้งซ่านเรียกว่ามีสติรู้ตัวว่าฟุงา้งซ่าน แต่ฟุ้งซ่านแล้วกระสับกระส่ายอยากหายฟุ้งซ่านเรียกว่าขาดสติไม่รู้เนื้อรู้ตัวและก่อเหตุกรวนกระวายฟุ้งซ่านปันป่วนหนักขึ้นจะเป็นในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรืออนาคตก็ดีความจริงมีอยู่ว่าถ้าเกิดความทยานอยากแบบไม่สมเหตุสมผลก็เกิดความทุกข์เป็นผลตามมาเสมอแม้อยากสงบ แม้อยากหายฟุ้งซ่านทั้งที่ยังไม่พร้อมก็เป็นต้นเหตุของความดิ้นรนกระสับกระส่ายทักถมความฟุ้งซ่านเดิมให้หนักขึ้นกว่าเดิมแล้วข้อที่สองอย่าพยายามดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่ วิธีมีสติดูความฟุ้งซ่านอย่างถูกต้องไม่ใช่ตั้งใจดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่จ้องรอว่าความคิดนั้นๆจะหายไปเมื่อใดเพราะทันทีที่รับรู้ว่ากำลังคิดเรื่องใดคุณจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดผสมโรงไปกับความคิดแล้วหลงวกวนอยู่กับความคิดนั้นๆโดยปราศจากทิศทางแล้วในการเจริญสติแบบพุทธ เราจะรู้ความฟุ้งซ่านโดยความเป็นคลื่นรบกวนสมองเหมือนกับนั่งดูพายุพัดหรือเมฆหมอกอยู่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างแล้วเป็นอย่างดีและนั่งมองพายุหรือเมฆหมอกผ่านมาแล้วผ่านไปเฉยๆโดยไม่พาตัวเองออกจากบ้านไปเสี่ยงกับการซัดเซกกลางพายุหรือหลงทางกลางสายหมอก ข้อที่สอย่าเริ่มจากการจ้องเข้ามาในหัวพอถูกบอกให้ดูความคิดหรือความฟาุ้งซ่านทุกคนจะนึกถึงสิ่งที่อยู่ในโครงกะโหลกเพราะนั่นเป็นที่ตั้งของความคิดและธรรมดาคนก็จะรู้สึกถึงอะไรในหัวค่อนข้างชัดเสียด้วยตอนกําลังฟุ้งซ่านวกวนอยู่เช่นบางคนรู้สึกเหมือนเกิดพายุหนาแน่นหนักหัว บางคนรู้สึกคล้ายถูกมแมลงเล็กๆไต ย, ยุบยิบน่ารำคาญเป็นต้นการจ้องเข้าไปในศรีรษะทันทีโดยขาดฐานที่มั่นรองรับสติจะทำให้คุณรู้สึกไร้หลักไร้กำลังและไม่ทราบจะดูความฟุ้งซ่านให้เกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความฟุ้งซ่านนั้นๆเป็นความเคยชินเป็นนิสัยทางจิตที่ผลิตระลอกความคิดแบบเดิมๆอยู่ไม่ขาด ข้อที่สสังเกตว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข์ขณะหนึ่งหนึ่งคนเราต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อึดอัดก็สบายไม่ปั่นปวนทุรนทุรายก็สงบราบคาบหรือทําไม่เสื่อมซึมเฉยเมยก็กระตือรือร้อนเต็มตื่นโดยย่นย่ออาการที่บ่งบอกว่าสบายน่าชอบใจเข้าข่ายเป็นสุข ส่วนอาการที่บ่งบอกว่าอึดอัดหน้าชิงชังเข้าข่ายเป็นทุกข์สำรวจเข้ามาในตัวจะพบว่าในความเป็นสุขเป็นทุกข์หนึ่งหนึ่งนั้นมีอาการเด่นเด่นแสดงออกมาในตัวคุณให้รู้สึกได้ด้วยใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อใจกระสับกระส่ายเป็นทุกข์มากๆจะคล้ายมีอาการดิ้นร่าอยู่ในอกไม่หยุด หรือเมื่อกําลังอยากได้นั่นอยากได้นี่จะคล้ายมีอย่างเหนียวยืดไปจับทั้งโน้นทีทั้ทงนี้ทีแต่ถ้าปรารถนาสิ่งใดสิ่งเดียวอย่างแรงกล้าก็อาจเหมือนมีคีมเหล็กมาบีบแค้นหัวใจไม่ให้ได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนปกติการสังเกตอาการเด่นๆกระทั่งเห็นเป็นภาพทางใจจนคุ้นจะช่วยให้คุณเห็นต้นตอของความฟุ้งซ่านได้อย่างง่ายดาย ตอนทึบแน่นเป็นทุกข์ความคิดแย่ๆจะถาโถมเข้ามาเยี่ยงคนขาดกําลังใจคุณจะเห็นว่าเพราะความทุกข์ความอึดอัดแน่นอกแน่นใจคือเครื่องผลิตกระแสความคิดหม่นมืดในหัวแม้ไม่ถึงกับทนทุกข์ทรมานอะไรมากแต่คนส่วนใหญ่ก็อึดอัดเป็นทุกข์เพราะความอยากนั่นอยากนี่กันบ่อ ย, อยการเริ่มฝึกสังเกตจากตรงนี้จึงนับว่า ง, ง่ายและตรงจุด ข้อที่ห้าอาศัยลมหายใจสังเกตความไม่เที่ยงเมื่อรู้สึกถึงความคันอกคันใจที่กลางอกให้บอกตัวเองว่านะลมหายใจนี้กำลังเป็นทุกข์จากนั้นให้ดูว่าในลมหายใจต่อมาทุกเดิมลดระดับลงหรือว่าเพิ่มความแรงขึ้นคล้ายคุณยังไม่ละสายตาจากหมอกควันเบื้องหน้า แต่สังเกตว่ามันเปลี่ยนระดับความทึบหนาหรือเบาบางโดยดูจากลมหายใจนี้กับลมหายใจต่อมาและต่อมาธรรมดาเมื่อรู้สึกถึงความไม่เท่าเดิมของอาการดิ้นโรนกระสับกระส่ายกลางอกก็จะรู้สึกถึงความโล่งสบายเกิดขึ้นแทนและเมื่อสำรวจดูก็จะพบว่านั่นเป็นการที่ความฟุ้งซ่านในหัวปล่อยเว้นวักไปด้วย เมื่อเห็นการเว้นวักของความฟุง้งซ่านก็ถือว่าได้เห็นความไม่เที่ยงของความฟุง้งซ่านเมื่อเห็นความฟุ้งซ่านกลับมาใหม่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงของใจว่างมีอยู่แค่นี้ธรรมดาของจิตนั้นทันทีที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงจิตจะถอนตัวจากอาการยึดมาเป็นผู้สังเกตการ ไม่เกิดความรู้สึกรู้สาว่าตนเองคือสิ่งนั้นและที่สำคัญคือเลิกคาดหวังจะเอาอะไรจากสิ่งนั้นไปชั่วขณะกล่าวยังรวบรัดคือเห็นความฟุ้งซ่านไม่เท่าเดิมได้ก็ถอดถอนอุปาทานว่าความฟุ้งซ่านเป็นตัวคุณตัวคุณคือความฟุ้งซ่านเสียได้ชั่วคราวสิ่งที่ต้องจดจำให้แม่นยาคือ อย่าคาดหวังว่าเห็นแล้วจะดับหายสมใจอยากทันใดแต่ให้รู้ตามจริงว่าเห็นแล้วจะต่างไปให้ดูแน่ๆข้อที่6รู้จักสาเหตุของความฟุ้งซ่านในตนแต่ละคนมีต้นเหตุของความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความฟุ้งซ่านชนิดที่ย้อนกลับมาปรากฏเป็นระลอกเรื่อยๆคนเราถูกล่อหรือไม่ก็ถูกหลอกให้ติดใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอถ้าไม่ใช่เรื่องดีๆก็เป็นเรื่องแย่ๆคนเราติดใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องนั้นก็ปรากฏเสมือนแม่เหล็กที่ส่งแรงดึงดูดให้ไปจดจ่อได้ตลอดเวลาหากเรื่องที่ถูกล่อให้ติดใจเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ ชวนให้จิตดิ่งเข้าหาเป้าหมายหรือพัฒนาการเป็นขั้นๆระลอกความคิดของคุณจะไม่ซัดสายกระจายไปเรื่อยเปื่อยแต่หากเรื่องที่ถูกหลอกให้ติดใจเป็นเรื่องแย่แยๆไรสาระเกนสารชวนให้จิตเลิดไรทิศทางหรือเอาแต่วกวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นหาจุดหมายปลายทางไม่เจอคลื่นความคิดของคุณจะไหลวนหรือออกอ่าวไปเรื่อย ถ้าจะแปลรูปความฟุ้งซ่านเปลี่ยนจากคิดสัดทรายไร้ระเบียบให้กลายเป็นคิดมากอย่างเป็นระบบคุณจำเป็นต้องหาเรื่องน่าสนใจดีๆให้เจอยกตัวอย่างเช่นถ้าติดใจคิดมากอยู่กับเรื่องคนรักเก่าที่จากไปคนเรามาักคิดมากอยากให้เขาหรือเธอกลับมาทั้งที่รู้สึกสิ้นหวังใจจึงเหมือนจะขาดอยู่รอนๆคิดโนอนคิดนี่สเปะสปะไร้ทิศทาง หรือไร้จุดหมายที่แน่ชัดเพราะใจไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้เมื่อรู้ตัวว่ากำลังอยู่กับเหตุแห่งความฟุ้งซ่านไม่รู้จบไม่มีทางออกคุณก็จำเป็นต้องหาทางออกด้วยการเปลี่ยนจุดหมายในการคิดคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้จริงเบี่ยงเบนเป้าจากคนรักเป็นงานที่รักกีฬาที่รักดนตรีที่รักเพราะสิ่งที่เป็นที่รักเท่านั้นที่มีสิทธิ์รงใจคุณได้ใกล้เคียงกับคนรัก นอกจากนั้นมีใสในการมองคนมองโลกและมองตัวเองก็มีส่วนปรุงแต่งความฟุ้งซ่านของคุณให้เป็นของร้อนได้เพียงใดด้วยคนมองโลกในแง่ร้ายเสมอเห็นอนาคตในทางวิบัติตลอดและช่างสังเกตข้อเสียของคนอื่นมากกว่าข้อดีจะมีคลื่นความฟุ้งซ่านให้รู้สึกคล้ายไอ้น้ำร้อนหรือกระทั่งละอองพิษที่ฉีดขึ้นหัวอยู่เนือง ถ้าทุกครั้งที่เห็นข้อเสียแล้วรีบค้นให้พบข้อดีกับทั้งตั้งใจจะพูดถึงข้อดีของคนที่คุณเกลียดก่อนนินทากาเลได้แม้จะยังฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นอยู่คุณก็จะพบว่ามีการลดระดับความร้อนลงมากจริงๆยังมีอีกหลายสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณได้ไม่เลิกเช่นหนี้สินถ้าต้องจดจ่อกังวลอยู่กับหนี้ มากกว่าได้สำราญบานใจอยู่กับกาไรความฟุ้งซ่านจะเป็นคลื่นความร้อนที่ทยอยมาราวีคุณราวกับจะไม่ปล่อยให้เว้นวักพักสบายต่อให้หนีไปพักผ่อนสุดล่าฟ้าเขียวคลื่นความร้อนในหัวก็ก่อตัวขึ้นมาไม่หยุดยัง้งกรณีทำนองนี้ที่เรื่องภายนอกบีบคั้นเกินทาใจคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงบ้าง ไม่สร้างหนี้ไม่สร้างศัตรูไม่สร้างภาระจนหนักอึ้งเกินแบกชีวิตมักเปิดโอกาสให้ปิดหนี้เลิกเล้ากันกับศัตรูตลอดจนปลงภาระมุญบาลงแล้วย้อนกลับมามองสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนเพื่อให้เลือกว่าจะจดจำหรือไม่เข็ดหลบับหากจะมองภาพรวมให้เกิดข้อปฏิบัติที่น่าจดจำทำให้คิดในทางเย็นทางสว่าง ลดความหนาแน่นและความรุ่มร้อนของความฟุ้งร่างลงได้จริงก็อาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าได้ยึดถือสามประการคือทานศีลและเจริญสติการให้ทานด้วยความคิดสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงกายกำลังสมองหรือบริจาคทรัพย์ส่วนเกินออกไปบ้างเป็นการลดความตรณีที่เหนียวลดความปุ้งร้างในทางละโมบโลภมาก ยิ่งถ้าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใจก็ปลอดโปร่งสบายแบบไม่แฝงอาการคิดเล็กคิดน้อยอยุมมยิ้มทํานองว่าจะได้รับอะไรคืนมาการให้อภัยทานแม้ทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่วยให้คุณรู้จักความเยน็นรู้จักอาการคลายกล้ามเนื้อเครียดอันเกิดจากความคุ้มแค้นลดความฟุ้งซ่านในทางพยาบาทอาฆาตเป็นช่งชวง เปิดโอกาสให้จิตฉลาดเลือกบางว่าระหว่างฟุ้งซ่านหาทางแก้แค้นเอาคืนกับความสงบระ ง, งับด้วยใจไม่คิดเบียดเบียนอย่างไหนหน่าเอาไว้กับตัวเองกว่ากันการรักษาความสะอาดทางใจด้วยข้อห้ามสกัดการเจตนาเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นจะลดความฟุ้งซ่านในทางประตุสร้ายด้วยกายและวาจายิ่งถ้าฝึกมาตามลาดับ จนกระทั่งรู้สึกว่าใจเป็นสีในตัวเองสว่างสะอาดปลอดภัยอยู่ในเขตไร้การเบียดเบียนโดยไม่ต้องฝืนห้ามใจอย่างนี้ถึงแม้ฟุ้งซ่านบ้างก็จะไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเกินระงับการมีสติเจริญงอกงามขึ้นในท่ามกลางสิ่งบีบคั้นให้ว้าวุ่นเห็นว่าที่กำลังฟุ้งฟุ้งหนักหรือฟุ้งเบา กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกจากนั้นสังเกตอีกว่าลมหายใจต่อมาระดับความฟุ้งซ่านลดลงหรือเพิ่มขึ้นในที่สุดคุณจะพบว่าความฟุ้งซ่านเบาบางลงอย่างน่าแปลกใจทั้งที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเลยสรุปแล้วการละเหตุแห่งความฟุ้งซ่านระหว่างมีชีวิตนั่นเอง คือการสะสมความสงบเย็นทีละน้อยจนกระทั่งถึงจุดของความเชื่อมั่นว่าร้อมตายทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการตายดีหรือตายร้ายเพราะแม้ตายร้ายก็เป็นการตายร้ายด้วยจิตดีผู้ที่มีจิตดียอมเห็นลางของคติพบดีๆข้างหน้าด้วยตนเองอ่านความรู้สึกอบอุ่นใจเชื่อมั่นในดวงกุศลอันสว่างลง เป็นชัดๆอยู่แล้วภายในตน